สวัสดีครับสมาชิก Tree of Life ทุกคนผมจะไม่ได้โพสในเฟ e บุ o k เป็นเวลาสามวันนะสามวันที่ผมจะไม่ได้โพสในเพจเฟซบุ o กนะครับเนื่องจากมีความผิดพลาดบางอย่างในเฟ e บุ o k คือผมถูกบล็อกอยูดเจดสิบสองวันอจ็7สิบสองชั่วโมงด้วยกันก็คือสามวันนะเนื่องจากว่าเฟ e บุ o k หาว่าผมแชร์ภาพอนาจารย์ พอดีผมก็ส่งภาพพรรณาจารย์ไปให้ภรรยาทางทาง m e s s ซนเจอร์ของเฟซนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนสนิทเป็นสองภาพแล้วก็บอกว่าให้ระวังแล้วก็ส่งไปให้ญาติด้วยบอกว่าให้ระวังน้ำโมอย่าให้น้ำโมเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอส่งสามคนปั้งเ c e b o o k บล็อกผมเลยตอนนี้ผมถูกบล็อกอยู่เจ็ดสิบสองชั่วโมงนะครับ ไม่ได้แชร์ผ่านทางหน้าฟี ด, ะ น, ฟดนะแชร์ส่งทางกล่องข้อความส่วนตัวนะครับแต่ผมถูกบล็อกไปแล้วเจดสิบสองชั่วโมงพวกเราก็ระวังด้วยอย่าเผยแพร่ภาพอนาจารนะฉะนั้นที่เราจะตอบปัญหากันคืนนี้สองทุ่มน้เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับทาไม่ได้แล้วผมเองก็ไม่ได้ดึงเฟซอื่นของตัวเองเข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับอย่างไรก็ดีพวกเรายัางสามารถดูข้อมูลย้อหนหลังได้เหมือนเดิมเนาะ แล้วก็มีอะไรก็พูดคุยถามกันที่ตรงนี้นะครับถามกันที่ตรงนี้โอเคนะ